พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่19กโคลิสานิสูตรสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อโคลิสานิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเวฬุวันารามใกล้กรุงราชคฤห์พระสาวรีบุตรปรารบภิกษุชื่อโคลิสานิผู้อยู่ป่าแต่มีความประพฤติย่อหย่อนเห็นแก่ปัจจัย มีธุระเข้ามาในที่ประชุมสงฆ์จึงแสดงข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่า17ข้อดังต่อไปนี้ข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่า17ข้อ 1- ภิกษุผู้อยู่ป่าไปในสงฆ์พึงเคารพในเพื่อนพรมจารี 2- พึงฉลาดในอาสนะไม่นั่งเบียดภิกษุผู้แก่กว่า ไม่นั่งกันภิกษุผู้อ่อนกว่า 3. ไม่พึงเข้าบ้านเกินเวลาพึงกลับแต่ยังวัน 4. ไม่พึงเที่ยวไปในสกุลก่อนหรือหลังอาหาร 5. ไม่พึงปุ้งซ่านและขี้บน 6. ไม่พึงเป็นคนปากกล้าพูดมาก 7. พึงเป็นผู้ว่าง่ายและครบมิตรที่ดี 8. พึงสำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือสำรวมตาหูเป็นต้น 9. พึงรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 10. พึงประกอบความเป็นผู้ตื่นคือไม่เห็นแกนอน 11. พึงลงมือทำความเพียร 12. พึงมีสติตั้งมั่น 13. พึงมีจิตตั้งมั่น 14. พึงมีปัญญา 15. พึงประกอบความเพียรในอภิธรรมอภิวินัยเพื่อสามารถตอบชี้แจงได้เมื่อมีผู้ถาม 16. พึงประกอบความเพียรในวิโมกอันสงบระงับอันไม่ใช่รูปก้าวล่วงรูปเพื่อสามารถตอบชี้แจงได้เมื่อมีผู้ถาม 17. พึงประกอบความเพียร ในอุตริมนุสธรรมหมายถึงธรรมะอันยิ่งของมนุษย์เพื่อสามารถตอบชี้แจงได้เมื่อมีผู้ถามพระมหาโมคลานะถามว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเท่านั้นหรือจึงควรประพฤติหรือว่าแม้ภิกษุผู้อยู่ชายบ้านหมายถึงเขตรอบๆหมู่บ้านก็ควรประพฤติด้วยพระสารีบุตรตอบว่า แม้ภิกษุผู้อยู่ป่ายังควรประพฤติจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าภิกษุผู้อยู่ชายบ้านจะไม่ควรประพฤติ